คืออยากทราบ ว, ว่าการที่จิตเศร้าหมองมากๆนี่เกิดจากอะไรอะคะโอ้มันเป็นกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็เศร้าหมองนะก็คือให้แค่เห็นว่าเราเศร้าหมองใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ให้เห็นว่าเราเศร้าหมองให้เห็นว่าความเศร้าหมองไม่ใช่เรา ค, รค่อยๆแยกนะระหว่างระหว่างจิตจิตอันหนึง่งความเศร้าหมองเป็นอีกอันหนึง่งคนละอันกัน ความเศร้ามองเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความเศร้ามองไม่ใช่ตัวเราความเศร้ามองก็ไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้สึกไหมความเศร้ามองเป็นของถูกรู้รู้สึกค่ะแล้วบางครั้งรู้สึกจมไปกับความเศร้าหมองเออตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าว่าเวลารู้อะไรแล้วอย่าจมลงไปในสิ่งนั้นที่จมลงไปบางคนมันแทรกนนะมันแท้ทาง บางคนพอเจอโทสะท น, นไม่ได้ต้องกระโจนลงไปในโทสะบางคนเจอความเศร้าทนไม่ได้ผู้หญิงเป็นเยอะนะผู้หญิงเป็นเยอะพอมีอารมณ์เศร้าๆมาแล้วก็ชอบไหลลงไปอยู่กับมันแถมชอบด้วยบางคนอะลงไปแล้วรู้สึกสะใจเล็กๆข้างในคืออาจจะไม่รู้ตัวว่าชอบล้วคำเหมือนกับเป็นดี่ใส่ที่ติดหรือเปล่าคะอะน่าใจใจเราชอบน่าบางทีให้เรารู้ทันว่าใจเราไหลลงไป อย่าลงไปนอนแช่เฉยๆให้รู้ทันว่ามันไหลลงไปแล้วเนี่ยใจหนีไปคิดทราบไหมค่ะทราบว่าใจหนีไปคิดแล้วค่ะอย่าไปตไรึงความรู้สึกให้นิ่งตอนนี้บังคับตัวเองเยอะไปผ่อนคลายมากกว่านี้าาการภาวนาต้องผ่อนคลายนะการภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายาจิตใจแอบไปคิดแล้วทราบไหม สังเกตไหมตอนที่รู้ว่าใจหนีไปคิดเนี่ยไม่ได้เศร้าแล้วรู้สึกไหม <Okay. S 1> ไม่ได้จมอยู่ในความเศร้าแล้วเพราะอะไรจริงๆแล้วสภาวะทั้งหลายเนี่ยเกิดช่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดเลยที่เราบอกว่าใจเราไปติดอยู่กับความเศร้านานๆนั้นเพราะเราไปยอมติดอยู่ตรงนั้นเองถ้าเราหัดมาเจริญสติมันอยู่กําลังเศร้าๆอยู่แล้วใจแอบไปคิดเนี่ยรู้ว่าใจแอบไปคิดทันทีที่รู้ว่าใจแอบไปคิดไม่เศร้าแล้วขณะนั้น รู้สึกหัหยตอนนี้เศร้าน้อยกว่าเมื่อกี้รู้สึกเศร้าน้อยกว่าเออนเะฝ้า ร, รู้ลงปัจจุบันรู้ใจนะไม่ใช่ไปรู้ความเศร้านนะกลับนิดนึงถ้าใจเราไปติดกับความเศร้าก็อย่าไปดูมันให้รู้ทันใจเช่นพอมันติดอยู่กับความเศร้าแล้วใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบใจกลัวให้รู้ว่ากลัวใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ว่าเผลอไปคิดค่ะไม่ต้องไปเกาะนิ่งดูความเศร้าเฉยๆอยู่ ถ้ามีแรงแล้วมันจะเห็นเลความเศร้าก็อันหนึ่งจิตก้อนหนึ่งโคระอันกันเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมแล้วมันอยากพูดแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกดูออกไหมค่ะเห็นไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นไหมมันดันขึ้นมาอีกแล้วค่ะคือถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็คือให้เหมือนก็เห็นแล้วก็รู้เฉยๆว่าแครู้เฉยๆนะเห็นนี่แหละตัวนี้เรียกว่าตัหาันหามันจะผลักขึ้นมา พอผลักขึ้นมานะใจเราก็กระโจนตามที่มันสั่งเลยถ้ารู้ลงปัจจุบันนะใจจะไม่ไปติดอยู่กับความเศร้าให้รู้ทันใจลงเป็นปัจจุบันไปถ้าไม่ยอมรู้ปัจจุบันนะัวแต่คิดว่าเศร้าเศร้าแล้วเกาะนิ่งๆอยู่กับความเศร้าออกมาไม่ได้คือถ้ารู้ว่าเศร้าแล้วไม่ชอบก็ให้รู้ว่าไม่ชอบอรู้ว่าไม่ชอบนะหรือว่าเศร้าแล้วก็คิดแหมมันงอนมันอย่างงี้รู้ว่าหลงไปคิดแล้ว พอรู้ว่าหลไปคิดก็หลุดออกมาแล้วจิตมันเปลี่ยนอารมณนะ์แล้จิตที่ไปเกาะนิ่งๆกับความเศร้าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะพอจิตไปจับอารมณ์มันใหม่ก็ทิ้งอารมณ์มันเก่านะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอย่ามัวเศร้าอยู่นะเสียเวลาไม่ดีบางคนชอบนะเ้าวๆเป็นเยอะนะชอบสวมวิญ ญ, ญาณนางเอกแกล้งเศร้าก็มีนะทำใจให้มันเศร้าๆไว้รู้สึกสะใจแสบๆนะ แสบแสบแล้วชอบนะผู้ชายก็เป็นนะหลวงพ่อสังเกตดูผู้ชายก็มีเหมือนกันแต่ผู้หญิงเยอะกว่าเ น, นี้ยสมบิณญาณ น, นางเอกรอพระเอกมาปลอบพระเอกอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าซ้อมไว้ก่อนนะ <c oughs> อย่ายอมอย่างนั้นนะยอมอย่างนั้นคือฝึกจิตให้คุ้นเคยกับโทสะจะตกนรกนะอย่าให้ใจมันไปคุ้นกับโทสะ แล้วก็อย่าให้ใจมันคุ้นกับความเผลอเผลอใจลอยไปทั้งวันจิตคุ้นเคยกับใจลอยเผลอเผลอลืมเนือ้อลืมตัวมันจะไปเป็นสัตว์สัตว์เดรัจฉานแล้วก็อย่าให้จิตมันเต็มไปด้วยความอยากยอมให้ความอยากครอบงําน้ําจะไปเป็นเปลิดงั้นเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นนะสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้ทันเข้ามาที่จิตที่ใจเรานี้ กิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตจิตไม่คล้อยตามกิเลสไม่ไปอบายละถ้าจิตไปติดไปค้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปดูมันแล้วมันไม่ขาดไปนะก็ไม่ต้องไปดูมันดูจิตของเราไม่ต้องไปดูมันเช่นจิตไปก่อความเศร้าไม่ต้องไปดูที่ความเศร้านะถ้าดูความเศร้าแล้วมันขาดปับไปงั้นก็ใช้ได้แสดงว่าจิตมีกำลังพอมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นมาดูปับขาดปั๊บ แต่ถ้าดูแล้วไม่ขาดแล้วเราไปแช่อ้อยส้อยอ้อยอิงไม่มีเรียงมีแรงเนี่ยอย่าไปดูมันดูจิตของเราจิตเราแอบไปคิดก็รู้จิตเรากลุ่มใจขึ้นมาก็รู้รู้ที่จิตมันจะมีความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพอมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงให้ภาวะนิ่งๆทื่อๆที่ไปติดอยู่ก็หลุดไปเลยเนะพราะภาวะทั้งหลายเอาเข้าจริงก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเชิญใครก็ได้เชิญ ค่ะจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาที่เรารู้ทันใจนะค่ะเราคิดว่าเรารู้ทันใจแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเบาสบายหรือไม่ได้รู้สึกหนักๆแน่นๆนะคะเลยไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เราจะทราบได้ไงคะว่าเรารู้ถูกหรือเปล่าจิตใจเหมือนขณะนี้ไหมที่ว่ารู้ชะเฉยมันเฉยๆอะค่ะแบบนี้หรือเปล่าค่ะโอ้อยังงี้ไม่ได้นี้จิตติดเฉยอย่าไปน้อมใจเข้าหาความนิ่งๆนะอย่าไปแกล้งน้อมใจหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะ เนี่ยมันน้อไปอย่างเงี้ยนะแล้ก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันนะอย่างนี้ไม่ได้นะก็ไสร้างความรู้สึกอันนึงขึ้นมาแล้วก็ไปเกาะมันไว้เฉยๆต้องใจถึงถึงนะโยนมันทิ้งไปออกมาดูโลกข้างนอกนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปให้มันกระทบไปตามธรรมชาตินะพอกระทบแล้วปล่อยให้ใจกระเทือนนะไม่ใช่ทําให้ใจนิ่งปล่อยให้ใจกระเทือนขึ้นมาเลยยินดีขึ้นมายินร้ายขึ้นมาหาอารมณ์มาแกล่งมันก็ เนี่ยใทำให้ทื่อๆ อ, อีกแล้วรู้สึกไหมเอออย่างเงี้ยไม่มีอะไรให้ดูนิ่งทั้งวันนึกออกไหมเราสร้างอันนี้ขึ้นมาสร้างความนิ่งๆทื่อๆขึ้นมานึกออกไหมก่อนที่เราจะหัดภาวนาจิตใจของเราตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะภาวนาไม่เหมือนตอนนี้นึกออกไหมจิตใจที่ธรรมดาที่สุดวิเศษที่สุดเลยนี่พวกเราทิ้งจิตใจที่ดีที่สุดของเราไปคือจิตใจธรรมดาของมนุษย์เนี่ย มนุษย์เพราะว่าผู้มีใจสูงนะใจของมนุษย์ดีที่สุดเลยใจที่แว่งขึ้นแข่งลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะั่นและดีที่สุดเลยเหมอะกับการทํากรรมฐานเราไปทิ้งจิตที่ดีที่สุดของมนุษย์นะไปเอาจิตของพลอมขึ้นมาใช้จิตที่คุณไปอยู่เนี้ยมันเป็นจิตของปลอมแล้วมันเป็นพลอมที่ไม่เก่งด้วยนะเป็นพรอมที่ไม่มีความสุขนะถ้าเป็นปลอมมีความสุขจะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างแม่ชีนี่เก่งเมื่อกี้เห็นนั่งสมาธินะ ทำความสงบเข้าไปนิ่งมันจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ซึมอย่างนั้นสังเกตไหมจิตตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมต้องอย่างนี้นะจิตที่ถูกที่สุดที่ดีที่สุดที่จิตธรรมดาที่สุดอย่างตอนนี้ไม่ธรรมดาละ ข, ขออนุญาตกับเรียนถามค่ะเมื่อก่อนเคยใช้วิธีดูขณะทางานดูอะไรนะดูจิตขณะทำงานสนุกสนาน <c oughs> สบายใจ พอเข้าในรูปแบบจะเข้าที่เดินจงกรมหรือนั่งจะรู้สึกตึงทันทีก็จะก็เลยทำให้ไม่ยอมเข้าในรูปแบบจะไม่ไม่นั่งไม่เดินแต่จะอาศัยดูแต่เห็นความความเสื่อมไปของมันคือมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่จับได้เหมือนก่อนแล้วก็ยิ่งมาทำงานที่ใช้ความคิดมากเห็นมันกระโจนหายไปกับเขากับความคิด ครึ่งวันเลยอืบางขณะก็อยู่ในวังวนของมันนะ่ะรู้ตัวในขณะที่วังวนแต่ก็ปล่อยอืเพราะว่าจะต้องใช้ความคิดจําเป็นนะถ้าจะคิดต้องรู้เรื่องที่คิดธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียวพอไปรู้เรื่องที่คิดแล้วรู้กายรู้ใจไม่ได้เป็นธรรมชาติธรรมดาเรียกว่าธรรมนิยามคือเป็นกฎธรรมดาของธรรมะให้จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียว นี่การภาวนาถ้าทุกก้าวที่เดินนะมีความรู้สึกตัวอยู่เรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยทุกขณะที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกว่านั่งสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วจะนั่งชั้นเขา่านั่งยองๆนั่งยังไงก็ไดนะ้ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ก็เรียกว่าปฏิบัติอยู่ทั้งหมดเลยนี่บางคนทําไมไปเดินชอปปิ้งแล้วไม่เป็นไรพอไปเดินจงกรมแล้วตัวแข็ง ตัวแข็งเพราะว่าคิดว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติเนี่ยความคิดอันนี้มันขึ้นมาหลอกหลอนแล้วแล้วเราก็คิดว่านักปฏิบัติเนี่ยต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำเดินก็ต้องไม่เหมือนคนอื่นเดินนะนั่งก็ต้องไม่เหมือนคนอื่นนั่งทําอะไรก็ไม่เหมือนคนอื่นต้องดัดแปลงให้ผิดธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดถึงการเดินจงกรมเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำนะคือวางฟอร์ม วางความทางกายไม่พอต้องวางฟอร์มทางใจด้วยนึกออกไหมอย่างพร้อมจะเดินเดินได้เป็นวันเลยนะเงี้ยมันคือการดัดแปลงไปเรียบร้อยแล้วกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งจิตใจที่แข็งเนี่ยเป็นอากุศลจิตนะจิตที่เป็นมหากุศลเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ถูกนิวรณครอบงำอย่างเราอยากปฏิบัติเนี่ยถูกกิเลสถูกนิวรณครอบงำเรียบร้อยแล้ว ใจที่เป็นกุศลเนี่ยซื่อตรงในการทําหน้าที่ของใจคือซื่อตรงในการรู้นะของเราไม่ซื่อตรงพอเราเห็นสภาวะอันนี้เราชอบเห็นสภาวะ น, นี้ไม่ชอบแล้วก็เข้าไปแทรกแสงเนะฉะั้นการปฏิบัตินะพอเริ่มลงมือปฏิบัติทีไรใจแข็งแข็งทุกทีเลยนะเปลี่ยนความรู้สึกไินิดนึงการปฏิบัติไม่ใช่การทําอะไรการปฏิบัติคือการมีสติรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตามที่เข้าเป็น รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเพราะฉั้นร่างกายเราเหลียวซ้ายแหลกขวารู้สึกในพระไตรปิฎกก็มีนะจะเหลียวซ้ายแลกขวาจะคู่จะเหยียดจะก้าวไปจะถอยหลังนะให้รู้สึกตัวนะถ้าไม่ได้บอกให้ทําอะไรนะท่าไม่ได้บอกให้กําหนดด้วยนะถ้าบอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวกับกําหนดในะคุร่านากันนะเดีย๋ยวไปปนกันกําหนดนี้มีโลภะเจตนาเกิดความจงใจที่จะทําอะไรบางอย่างนะ โดยหวังว่าทําสิ่งนั้นแล้วจะดีจะรู้ทำเห็นรำเห็น ไ, ไหมมีความคาดหวังเนี่ยใจแอบไปคิดทราบไหมเนี่ยรู้ไปอย่างเนี้ยนะนั่งอยู่ก็คือปฏิบัติอยู่เนี่ยบังคับใจให้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหมไม่ทันจะมีรูปแบบอย่างบังคับเลยเห็น ไ, ไหมพอคิดว่าจะปฏิบัติเข้าใจไหมพอคิดว่าจะปฏิบัติก็บังคับเลยเนี่ยยังไม่เริก บ, บังคับนะไหมอยู่ใกล้ๆนะเป็นผู้ชายต้องเขี่หัวทีหนึ่งนะ รู้สึกไหมเมื่อกี้หลุดออกมาตอนหัวเราะจับมาเกาะ อ, อีกแล้วดูออกไหมอย่าไปกอมันสิประมาณนี้ประมาณนี้คือเพ่งใช่ไหมคะเพ่งแล้วแค่นี้ก็เพ่งแล้วแสดงว่าที่ผ่านมาเพ่งทั้งหมดมันไม่ใช่รู้ค่ะนะเพราะงั้นเวลาภาวนาเรีแข็งถ้าภาวนาแล้วแข็งแข็งกระด้างกระด้างไม่ใช่ของแท้นะจิตที่เป็นกุศลจริงๆละร่าเริงเบิกบานแต่ไม่ใช่ร่าเริงแบบลืมเนื้อลืมตัวหลงโลกนะอ ไม่ใช่นักปฏิบัติห้ามยิ้มนะห้ามหัวเราะห้ามยิ้มเงื่อนไขมากนะเงื่อนไขเยอะที่หนึ่งค่ะอันนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยเราก็ทําให้ตึงถึงขันปวดหัวมึนหัวซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็เลยต้องถอยตัวเองออกมาอื <c oughs> คือให้ชั่วโมงการมึนหัวแค่ครึ่งชั่วโมงจะคิดแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้จะไม่คิดละถ้าทําได้ก็ดี ครึ่งชั่วโมงแรกคิดเรื่องงานครึ่งชั่วโมงหลังคิดเรื่องอื่นต่างหากอะ่ะไม่ใช่ไม่คิดนะมันทําไม่ได้แล้วจิตจะคิดจิตมีหน้าที่คิดจิตก็คิดมเราสั่งจิตไม่ได้ว่าเธอจงคิดงานครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงห้ามคิดทําไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้หรอกเราภาวนาไม่ใช่เพื่อบังคับแต่เราภาวนาเพื่อเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ด้วยความสุภาพอ่อนโยนด้วยนะ ไม่ใช่ไปขู่เข็นบังคับเขาเราจะเรียนรู้เขาอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นคือเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียนเอาดีไม่ได้เรียนเอาสุขไม่ได้เรียนเอาสงบแต่เรียนเอาความจริงถ้าอยากดีถาวรอยากสุขถาวรอยากสงบถาวรเนี่ยการปฏิบัติจะล้มลุกคลุกคลานตลอดเวลาเลยเพราะคาว่าถาวรไม่มีในโลกนี้ โอ้เราจะหมดหรือ ว, วันนี้เนะาะสมวันก็ไม่หมดเนี่ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมาปฏิบัติวิธีของหลวงพ่อค่ะตอนแรกก็ปฏิบัติอาณาปานาสติมาค่ะอาณา<อ>ก็ทำได้นะไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐ า, านนะ่ะถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วอะไรอะไรก็ได้หมดเลยถ้าไม่เข้าใจหลักแล้วอะไรอะไรก็ผิดหมดเลยอย่างอาณาปานาสตินะขั้นแรกเลยก็ต้องหัดแยกรูปแยกนามเหมือนกัน เห็นร่างกายหายใจไปใจเป็นคนดูมันนะคนไหนหัดเลาะท้องพองยุบก็แยกรูปแยกนามนะเห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุบนี่ร่างกายมันขยับขยืนข่นเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูอยูนะ่แยกรูปแยกนามออกมาก่อนแล้วจะเห็นเลยทั้งรูปทั้งนามเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานได้ตามเหตุตามปัจจัยที่กําหนดะไม่ใช่เกิดลอยๆอยนะตัวนี้ขึ้นจากนามรูปปริเฉทญาณนะขึ้นมายานที่2 ป, ปัจจยกักษปัจจยักปริฆหญาณ เสร็จแล้วก็จะเห็นเลยว่ารูปเดี๋ยวนี้กับรูปเมื่อกี้ไม่เหมือนกันนามเดี่ยวนี้กับ น, นามเมื่อกี้ไม่เหมือนกันนะเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบเรียกว่าสมมัช น, นัญญาณแต่ไปเห็นสภาวะจริงๆเลยเห็นรูปลงปัจจุบันนะเกิดดับของรูปเห็นนามตามรู้นามเห็นนามเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรียกว่าอุทยยพ ย, ายาัญญาถึงตรงนี้จิตสันตติคือความสืบเนื่องอย่าเริ่มขาดลนะแต่เดิมเรานึกว่าจิตมีอันเดียวรวด ถึงตรงนี้เราพบว่าไม่ใช่เดี๋ยวจิตดวงนี้เกิดแล้วก็ดับนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นดวงหนึ่งเกิดแล้วดับมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นสันตติขาดอย่างจิตที่เผลอเนี่ยพอเราสติะระลึกรู้ว่าเผลอนะขณะนั้นจะขาดวับลงไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมารับอารมณ์มันใหมนะ่เราจะเห็นแต่วความเกิดดับเนี่ถึงจะขึ้นมีปรัสนาดันะั้นจริงๆไม่ยากหรอกนะค่อยๆฟังค่อยๆเรียนง่ายง่ายกว่าที่คิดเดยอะเลย ถ้าคนไหนภาวนาหลายปีแล้วนะได้รับความลำบากมากต้องทบทวนนะต้องทบทวนสิ่งที่ทำอยู่มันตรงกับที่อาจารย์สอนหรือมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เหมือนกันนะบางทีบาง ท, างทีอาจารย์พัฒนาคำสอนใหม่ๆขึ้นมาเต้มไปหมดเลยค่ะพอดีเมื่อเช้าตอนนั่งฟังหลวงพ่อค่ะหนูไม่รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปเอง หรือว่ามันเป็นการตามรู้จริงๆคือหนูฟังหลวงพ่อแล้วมันจะขาดขาดแล้วก็ไปรู้ว่าตัวเองคิดแล้วก็มาฟังเหมือนกระจิตมันไปที่ตาที่หูแล้วก็จะาดหายเป็นช่วงเป็นช่วงอ่นั่นเปนขาดปั๊บปั๊บป๊ปัปั๊ไปนะเจนฟังฟังหลวงพ่อไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเหรอถ้าฟังหลวงพ่อแล้วเกิดสภาวะเนี้แสดงว่าฟังเป็นแล้วถ้าฟังหลวงพ่อแล้วก็รู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดนะฟังมัเป็นหรอก อย่างนี้เมื่อเชา้าไม่ใช่ว่าหนูฟุ้งซ่านไปใช่ไหมคะไม่ใช่แต่จิตไม่เหมือนตอนนี้นะไม่เหมือนถ้าจิตตอนนี้ใช้ไม่ได้ค่ะพนะกธีรหลวงพ่อเช้าค่ะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วหลวงพ่อให้คำแนะนำมานะคะก็ลองไปปฏิบัติ ด, ดูทีนี้พอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่กำหนดแต่ว่าเราจะดูแล้วก็เห็นแล้วก็ภาพเนี่ยจะชัดขึ้นนะคะ แล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากมโดยที่ถ้าเรากาหนดเหมือนแต่ก่อนเรากาหนดไม่ทันแน่นอ น, ท, นทีนี้ภาพที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นชัดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็มีความคิดเข้ามานะคะใช่แล้วก็เราก็จะเราก็จะรู้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ว่าอืมเรารู้ว่าคิดหรือว่าคิดคิดคิดแต่ไม่มีมคำว่าคิดหนาจะถามว่าการปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องแล้วหรือ ย, ยังคะแล้วก็ อพอปฏิบัติเป็นสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็คือเหมือนกับการเป็นดูภาพยนตร์ตัวเองเกี่ยวกับกายและใจไปตนตลอดชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคะใช่คำถามนะคือว่าปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องแล้วหรื อ, อยังแล้วความเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องแล้วหรื อ, อยังเจ้าค่ะแม่ชีดูตัวเองนะสติเกิดเร็วขึ้นรู้สึกไหม อะไ ร, รไววับสติะระลึกสติะระลึกสติะระลึกแล้วก็ดับลงตรงนั้นดับลงมีแต่เกิดและดับการที่เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงสภาวะคนส่วนใหญ่เนี่ยสติช้าก็เลยพยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงอย่างที่เราพยายามกําหนดกําหนดเนี่ยเราพยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าในขณะที่มันไม่ช้าจริงแต่ว่าถ้าเรามีสติจริงๆขึ้นมาเราจะเห็นสภาวะตามที่เขาเป็นจริงจรคือเขาเกิดดับทียิบเลยนะ แม่ชีก็จะตามรู้ไปอย่างคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนเคยได้ยินใช่ไหมครูบาอาจารย์ชอบสอนบอกเหมือนดูละครดูกายดูใจเล่นละครไปสังเกตไหมเขาเล่นละครของเขาได้เองไม่ใช่เราเล่นแต่เดิมเราเล่นนะเราลงไปแทรกแสงเราไปเป็นผู้กํากับเราไม่ใช่ผู้ดูแต่เดิมเราเป็นผู้กํากับเราค่อยเข้าไปกํากับนี่นะอย่างนี้นะมีการบอกบทด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่จิตแม่ชีรู้สึกไหมจิตเบาลง ก็ถ้าไม่กําหนดก็รู้สึกว่าเราไม่ฝืนเจ้าค่ะ <Ừ. S 2> แต่การที่อันนี้คือถามนะคะว่าการที่เท่ากำหนดเนี่ยเพื่อให้เห็นสภาวะชัดเจนขึ้นแล้วก็ให้มีสติอย่างงั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างที่เรียนให้หลวงพ่อทราบเมื่อกี้ได้แล้ ว, ลวเราก็ให้ทําตามนั้นไปแต่การที่เราบอกตัวเองว่าคิดคิดคิดรู้ว่าคิดนี้ไม่ใช่เป็นการกําหนดนะคะ แต่สามารถจะพูดกับตัวเองอย่างนี้ในใ จ, ใจได้ไหมจ๊ะคือถ้าใจมันพูดเองนะไม่เป็นไรเพราะเราเ<อ>ห้ามไม่ได้<อ>ใช่ใช่ไหมสังเกตไหมแค่นี้เราก็เริ่มเห็นไตรลักษณ์ล้จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี่แสดงไตรลักษณ์จิตเป็นของบังคับไม่ไ ด, ด้เขาจะพูดเขาก็พูดของเขาเองเดี๋ยวเขาก็เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใ จ, ใจเขาเกิดดับหมุนเวียนของเขาเองเออตรงนี้เรียนให้หลวงพ่อทราบตาตรงว่า ยังไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ว่าเข้าใจว่าหลวงพ่อคงพยายามอธิบายว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าไตรลักษณ์ซึ่งเป็นบัญญัติใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ต่อไปเนี่ยพอเราจะเห็นสภาวะอย่างนี้นะจนจิตมันแจ้งขึ้นมาเองมันถึงจะสรุปออกมาแล้วถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยเราจะเห็นความเกิดดับในภาวนา ม, มา ย, บบรรยาปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะชเห็นเองเห็นเอ ง, เเองทีนี้หลวงพ่อบอกว่า ให้มีผู้รู้ด้วยถามว่าในเมื่อเรารู้แล้วทําไมเราจะต้องมีผู้รู้ด้วยเราเขาไม่ชีไม่ต้องนะเพราะพ่ อ, อสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมไม่ชีไม่ต้องของแ <จะ S 2> ม่ชีเนี่ยนะสติสมาธิอะไรพวกนี้มันดีอยู่แล้วทีนี้จะถามว่าเคยมีคนบอกว่าสมมุติว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปโดยที่ไม่เริ่มจากการนั่งกรรมฐานหรือสมาธิเนี่ยขอโทษนะคะถามข้ามไปนิดนึงขอย้อนนะคะการที่เราปฏิบัติตอนแรกอ น, นันทที่บอกว่า เราเห็นภาพชัดแล้วก็รู้แล้วก็ตามดูรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เรียกว่ารูปแบบของการนำไปสู่การเจริญวิปัสนาหรือว่าเป็นการเจริญวิปัสนาในตัวของมันเจ้าค่ะที่เคยทำแต่ก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะที่าที่เล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อกี้ตอนแรกอ๋อนี่มันเป็นการเริ่มต้นเห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วนะนะเป็นการเริ่มเห็นสภาวะแล้ว ถามว่าเป็นงานเจริญวิปัสนาหรือเป็นรูปแบบเพื่อจะไปสู่การเจริญไม่ใช่รู ป, ร ป, ปแบบนะต่อไปเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยเราเห็นตลอดเลยคือถามว่าที่เราเรู้และเห็นเนี้ยนะคะแล้วก็เพียงแต่รู้แล้วก็เห็นแล้วก็รู้คิดถามว่าอันนี้เป็นการเจริญวิปัสนาใช่หรือไม่ใช่เจ้คะ่ะคือเป็นกระบวนการที่จะทําให้เกิดวิปัสนานะ เ, เป็นกระบวนการของมันเสร็จแล้วตัววิปัสนาเนี้ยคือตัวปัญญาคือหมายความว่า ทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้วิปัสสนาญาณเองซึ่งขึ้น<ช>แต่ละบุคคลถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยที่ตามดูตามรู้คือการเจริญวิปัสนาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใแต่ว่าถ้าเรานั่งสมาธิหรือกรรมาฐานก่อนเป็นรูปแบบเพื่อนําไปสู่การเจริญวิปัสนา<ช><ช>เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสนาใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้จะถามอีกข้อหนึ่งคือว่าในขณะที่เรารู้นะคะตัดคําว่าตามออก ถามว่ามีเสเสิ่วของวินาทีที่ห่างกันหรือเปล่าเพราะว่าสติแต่ละคนจะไม่เท่ากันถูกไหมเจ้าคะบางคนอาจจะแบบโอเครู้ว่าเราโกรธตอนนี้อีกหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงต่อไปเราถึงจะรู้ถามว่าการที่เรารู้สภาวะไม่ทราบจะใช้คําถูหรือเปล่านะคะการรู้ว่าเราเกิดอันนั้นขึ้นกับการที่เรากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เนี่ยมีเสดสิ่งห่างวินาทีห่างกันไหมหรือว่า การที่เรารู้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในวินาทีเดียวนคนละวินาทีไม่มีทางเป็นไปได้ที่ไม่มีทางเป็นไปได้แม้กระทั่งพระอรหรันต์ใช่เพราะอะไรรู้ไหมคําว่ากายานุปัสนาเนี่ยมันมาจากคาว่ากายอนุปัสนาคําว่าจิตตานุปัสนาณนะ์คือจิตอนุปัสนาอนุปวัตตามปัสนาคือการเห็นการตามเห็นจิตเนือง ยกตัวอย่างโดยเฉพาะดูจิตเนี่ยจะเห็นชัดว่าไม่รู้ลงปัจจุบันแต่กายลงปัจจุบันได้นะกายสุดท้ายลงปัจจุบันได้แต่จิตเนี่ยเป็นการตามรู้ตลอดสายเพราะอะไรอย่างในขณะที่จิตหลงจิตมีโมหะเนี่ยจิตฟุ้งซ่านในขณะที่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นอกุศลจิตจะมีสติไม่ได้แต่เสร็จแล้วมันจะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งระลึกขึ้นได้ว่าจิตดวงที่ดับไปสดร้อนๆเนี่ยมีอกุศลมีโมหะ มันคือการตามดูนะตัวนี้ในภาษาปริยัติเขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติการดูจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสันตติจะไม่ใช่ปัจจุบันแทนะ้เพราะงั้นจะไม่มีทางเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยเกิดขึ้นช่วงขณะหนึ่งก็ดับไปแล้วแม้กระทั่งพระ อ, อรหรันต์ใช่พระ อ, อรหันต์ไม่ใช่คนที่ฝืนธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นจะมีเสียเซี่ยวของการตามรู้เสียดเซี่ยววินาทีของการตามรู้ทีนี้จะถามว่าแต่จะไม่มีช่องว่างขั้นนะ ่ชงวาหมายถึงว่าไม่ใช่เผลอไปชั่วโมงหนึ่งแล้วโปรดไปแล้วก็มารู้ว่าเผลอ อ, อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจะถามว่าที่หลวงพ่อแนะนําให้ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะค ะ, ะคือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอกลับไปบ้านเมื่อวันเสาร์ก็ลองทําดูแล้วก็รู้สึกอย่างนี้ก็จะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันก็เหมือนถ้าจะเปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมจะเรียกได้ว่า เหมือนกับสักแต่เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพระพาหิยะอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเจ้าคะ่ะใช่รู้ลงปัจจุบันคือแบบเดียวกันใช่ทีนี้อีกคําถามนึงก็คือว่าวาระที่สุดท้ายของเรานี่นะคะการที่เราจะมีสติเช่นการเจ็บ ป, ป่วยเนี่ยเป็นการยากที่เราจะมีสติและกระทั่งเจ็บ ป, ปวดไม่ไม่ชีย้ยดกกังวลตอนจะตายเนี่ยนะเวลขาขณะตอนวิถีที่มันจะตายเนี่ยมันจะตัดการรับรู้ทางกายออกไปก่อน เพราะงั้นที่ว่าเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บนี่ยนะขนาดจิตที่ใกล้จะตายจริงๆจวนจะตายจริงๆจะเป็นเรื่องทางใจแล้วเพราะงั้นมันจะตัดการรับรู้ทางกายออกไม่ฉีจะไม่เจ็บทางกายแต่ว่ามันมีการเจ็บปวยบางอย่างที่เจ็บปวดทางกายเออจะขอถามไปทีละขั้นนะนะเจ้าคะว่า สมมติถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยแล้วเรากําลังใกล้จะตายเมื่อใกล้วันะจิตสุดท้ายเนี่ยเรายังเจ็บเราก็รู้ว่าเราเจ็บหรือเรารู้ว่าเรากลัวทีนี้เรายังมีสติอยู่เรากําหนดได้ถูกไหมเจ้าคะแต่บางครั้งหมอเขฉีดยาให้บรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็ค่อยๆไปทีนี้เนี่ยแม่ชีก็เลยจะถามว่าถ้าเรากําหนดอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่ากวัาระจิตสุดท้ายเรามีสติเราจะไปดีถูกไหมเจ้าคะแต่ทีนี้เนี่ยแม่ชีถามอาจจะเบาบัญญาไปนิดนึง จะเป็นการเซฟเพลย์เซฟไหมคะว่าสมมุติว่าถ้าเรานั่งสมาธิอ น, นะคะไม่ใช่กรรมฐานกําหนดพองยุกนะคะนั่งสมาธิเรามีองค์พระใช่ไหมคะสมาอารหัง<ม>อันนั้นยังไงยังไงก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่ามีแรงส่งของบาลมีสมาธิคุ้มครองอยู่ยังไงยังไงเราก็เห็นองค์พระกําหนดองค์พระได้อันนั้นเนี่ยจะเซฟกว่าหรือเปล่าคะเพราะว่าการที่จะให้กําหนด มีสติอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราเจ็บปวดและใกล้าตายนี่บางครั้งนี่แม่ชีมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าถ้าถ้าเราอย่างที่แม่ชีทําตอนนั่งอยู่นั้นนะใช้ได้ถ้าแม่ชีนั่งภาวนาไปนะแล้วตายไปในสภาวะ น, น, นั้นนะไปปรมาโลกก็เซฟกว่าสําหรับคนที่ดูจิตไม่ชํานานแต่ถ้าเราดูจิตชํานี้ชำนาญเนี่ยเราตามรู้ตามดูจนถึงขนาดสุดท้ายมนะันขาดไปนิพพาน ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันยากมากเค่ะแม่ชีวัดตัวเองด้วยวิธีนี้วิธีง่ายๆนะแม่ชีหัดตามรู้ตามดูจิตไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปถ้าเกิดฝันไม่ดีขึ้นมาปั๊บเนี่ยสติจะทํางานเองคือถ้าสติทํางานได้เองเนี่ยนะ่ปลอดภัยละตัลวงท่านก็ยังให้แม่ชีตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆดีก่า ไ, ไม่ชีทําสองงานไปเลยไม่ชีทําสมาธินะทําสมาธิอย่าไปกําหนด อย่างนั้นมันเครีย ด, ยดนั้นไม่ดีเลยใช่คือถ้าเครียดน่าจะไปอบายเข้าใจไหมทีก่กำหนดแล้วมันรู้สึกว่ามันฝืนนะคะแต่ว่าฉันนั่งทำมสมาธินะมนสบาเอาสมาธิอย่างเดิมยังดีกว่าอันนั้นยังไปปล่มมรรคได้แต่ว่าหมดเวลานั่งสมาธิเนี่ยไม่ชี้ตามรู้ความเกิดดับภายในของตัวเองไปตัวเนี้ยสะสมปัญญาบารมีไปก็ขึ้นวิปัสสนาไปเลยใช่ขึ้นวิปัสสนาไปเลย ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราตามดูตามรู้ในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสนาถามว่าถ้าเราไม่ได้มีการนั่งสมาธิเดินจงกลมเนี่ยที่เขาบอกว่าทําวิปัสนาไปเลยเนี่ยจะทําให้สมาธิอ่อนนี่จริงหรือเปล่าจเจ้าค่ะมันอย่อยางนี้ถ้าหากทําวิปัสนาด้วยการรู้กายเป็นหลักนะต้องทําสมาธิแต่ถ้าทําวิปัสนาด้วยการรู้จิตเนี่ยทำสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนท่านไม่ถึงขั้นว่าซีเรียสจาเป็น ก็ไม่จําเป็นจะต้องทําก็ได้แต่ควรทําควรทำํรทำนะโดยกําหนดองค์พระน่ะเหรอคะได้แต่ว่าพอหมดเวลาอย่าให้องค์พระติดมานะเจ้าค่ะหมดเวลาแล้วเนี่ยตามดูจิตที่เกิดดับเกิดดับเนี่ยแต่มันจะมีแรงส่งของสมาธิอย น, นตื้งเตี้ยนให้ท่านจับได้แลไรแต่ให้เราตามดูไปเลยให้ตามดูสภาวะไม่งั้นมันมีแต่สมาธิมันก็เหมือนเราสะสมเรี่ยวแรงพักผ่อนไม่พอแล้วแล้วไม่ได้ทําอะไรขี้เกียจเฉย แล้วก็ถามว่าทำไมเราต้องให้รู้จักรูปนามหรือเมื่อเรารู้แล้วว่าการตามดูเราทำได้แล้วถูกไมคะต่อไปในการเกิดแบบจะเกิดเองในภาวนามรณาปัญญาถูกไม่ช่ไหคะทำไมเราจะต้องรู้รูปกับนามด้วยรู้รูปนามเพื่อให้เห็นความจริงว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นตรงนี้จะได้พระโสดาบันแต่ไปรู้รูปนามต่อไปอีกจนหมดความยึดถือรูปจะได้เป็นผ้านาคามี รู้รูปนามต่อไปจนทั้งหมดความยึดถือจิตจะเป็นพระอรหันต์จิตจะพ้นทุกข์ถาวรต่อหน้าต่างานี้เราไม่ได้พ้นทุกข์เฉพาะตอนเข้าฌานจิตใจเราจะมีความสุขอยู่ขนาดนี้เลยโดยการแค่ตามรู้ตามดูตามเห็นแค่นี้น<า>แหละอัศจรรย์ที่สุดเพราะในสติปัฏฐานใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ใช่ไหมมีแต่คําว่ารูนะ้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นี่ จิตมีราคาก็รู้จิตมีโทสะก็รู้นะไม่มีราคาก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีแต่คําว่ารู้รู้สึกไหมงั้นในสติปัฏฐานนี้เต็มไปด้วยคําว่ารู้ไม่ได้มีคําว่ากําหนดหรือคําว่าเพ่งหรืออะไรเลยนะท่านใช้คําว่ารู้เต็มไปหมดเลยทุกๆตัวเลยนะถามว่าแล้วท่านบอกว่าอะไรต่อไปอีกท่านบอกสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นนอกจากการรู้ไม่ใช่ละเว้นะแต่ว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกนะ แต่ถ้าเราศรัทธาเชื่อว่าผู้เจ้าสอนถูกท่านบอกเลยสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวในสติปัฏฐานเต็มไปด้วยคำว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้นะหายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าหายใจแะ้วก็รู้นะยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้มีแต่คำว่ารู้นะเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้จิตมีราคาก็รู้จิตไม่มีราคาก็รู้นี่เป็นคู่คู่จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้ คำว่ารู้มีนัยยะสองอย่างซ้อนกันอยู่อย่างแรกคือมีสติรู้ตัวสภาวะที่กำลังปรากฏนั้นเช่นจิตมีโทสะรู้ว่าโทสะปรากฏอยู่อันที่สองคำว่ารู้เนี่ยหมายถึงรู้รู้ถูกต้องคือรู้ลักษณะว่าโทสะนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่คำว่ารู้นัยยะของคาว่ารู้ในสติปัฏฐานนี่นะครอบคลุมความหมายสองอันนี้ แล้วก็ต้องมีสมาธิหนุนหลังจะสักว่ารู้เป็นคนดูนะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติโดยการตามรู้ตามดูนี่จะทำให้เรารู้เองว่าเป็นเพียงแค่รูปกับนามใช่ไม<ช>เจ้าคะไม่ใช่ตัวเราจะรู้<ถ>ไม่ใช่เราถ้าสมมติท่านอธิบายเนี่ยก็จะเข้าใจตามสุตตากจินตาว่าใช่ <c oughs> คือธาตุดินนัดบนไฟประกอบเป็นตัวเรา le, แต่ย่งังใช้ไม่ได้เพราะเราละไม่ได้ทีนี้ถ้าภาวนาะตามรู้ตามดูเราจะรู้เองใช่แต่ไม่ใช่ด้วยการนั่งสมาธิไม่ใช่สมาธิเป็นการพักผ่อนตกลงคือว่าถ้าสวดมนต์ตายไปเกิดเป็นเทวดาถ้านั่งสมาธาิตายไปเกิดเป็นพรหมถ้าสมมติตามดูตามรู้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาต า, ตายไปก็นิพพานไปเลยก็แล้วแต่ว่าจิตตอนนั้นเกิดอรหัตตะมักไหมใช่ชค่ะถ้ายังไม่เกิดนะก็กลับมาเป็นเทวดากลับมาเป็นมนุษย์ เราทำต่อขาเรียนถามท่านว่าเวลาเราจะตายเนี่ยเราควรจะปล่อยให้ตายธรรมชาติโดยที่มีความเจ็บปวดไปเลยหรือว่าให้หมอฉีดยาแล้วก็ให้เราไปสบายส่วนมากเราไม่ค่อยได้เลือกนะเลือกเจ้าค่ะเราสั่งไว้คนอื่นมันไม่ค่อยเชื่อเราหรอกเลือกเจ้าค่ะตรงนี้หมอกขาจะให้เซ็นในใบเจ้าค่ะก็บอกเขาว่าไม่ต้องเอาท่ออะไรมาเสียบเราอะแล้วเราเจ็บปวดตายเหรอเจ้าค่ะก็ก็ไม่ต้องก็ฉีดยาก็ได้นะอ่ จะฉีดยาอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ชอบเลยที่จะแทรกแสงท่านจะตามดูเอาคล้ายๆว่าอุตสาซ้อมลบมาตลอดชีวิตแล้วนะพอถึงนาทีที่จะทําสงครามจริงแล้วบอกไม่เอาดีกว่าท่านเจ้าค้าถามนิดนึงอย่างสมมติว่าถ้าเราสุบรมภวนาตอนกลางคืนทุกคืนเนี่ยนะคะเราบอกว่าขอให้เซลียเมเรีงตายไปให้หมดนี่เราบาปไหมคะก <ขอ S 2> ็เรารมีจิตเป็นอกุศลหรือเปล่าเพราะว่าเซลียเมเรีงเป็นสิ่งที่มีชีวิตเจ้าค่ะ อยู่ในตัวเรามันมีชีวิตแต่มันไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่บาปไม่บาปแล้วทีนี้ถ้าเราทานยาฆ่าแมลงเนี่ยถือเป็นปานาติบาตไหมคะไม่เป็นมันไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่มีวิญญาณก็ไม่บาปก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรนะเจ้าคะมันไม่ใช่สัตว์ตามในยะตามเป็นเซลล์มีชีวิตเหมือนกะละที่เกิดขึ้นมีมีแต่ว่าวิญญาณยังไม่ได้อย่างลงไปนรื่อหมายเขาว่า กาละที่เกิดขึ้นมีวิ ญ, ญญาณแล้วอ้นั้นหมายถึงปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น<ช>แต่ในเซลล์มะเร็งไม่มีปฏิสนธิจิตนี่เพราะฉะนั้นในกาละมีวิญญาณอยู่แล้วมันก็เหมือนเนื้อก้อนหนึ่ง เ, ออเซลล์มะเร็งหรือกาละคะเซลล์มะเร็งแล้วพอเกิดกาละปุ๊บมีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นเลยทันทีอ้นั้นหมายถึงว่าชนกกรรมเนี่ยส่งผลให้เกิดละวิญญาณปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น<อ>กาละเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วปฏิสนธิจิต เกิดขึ้นพร้อมกับกันละเกิดพร้อมกันละส่วนเซลมะเลงไม่มีปฏิสนธิเงี้ยข่ามันไปเลยกขอบคุณท่านหลวงพ่อมากเจ้าค่ะไม่ชีฝึกนะหลวงพ่อขอเวลาไม่ชีเดือนหนึ่ง จ, จํ า, าได้ไหมใช่ไม่ชีมาถามเพราะว่าไม่อยากปฏิบัติผิดไปค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเอ่ออันนี้หลวงพ่อบอกว่าไม่ชีปฏิบัติถูกแล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะไม่ชีทําต่อไปไม่ชีจะวัดได้ด้วยตัวเองเลยอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ รู้สึกไหมจิตเริ่มอ่อนโยนเริ่มเบานุ่มนวลเริ่มคล่องแคล่วว่องไวเกิดดับรวดเร็วมันตรงกับคําพูดที่อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นเลยดีแล้วนะค่อยดูไปเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะอามีคนไหนไหมของแม่ชีใช้เวลาเยอะหน่อยนะแต่มีประโยชน์นะกับทุกคนนะไม่ใช่เสียประโยชน์หรอกเอาใครจะต้องการคุยกับหลวงพ่อเชิญยกมืออ่ะเชิญ ผมไม่ถามนะเชื่อโลกมีวิญญาณไหม <c oughs> การกรัชกาลหลวงพ่อครับคืออยากจะ ส, สอบถามทพื่นเองว่าการที่ผมมองเห็นเหมือนกับเป็นสายตามองลงมาหาตัวเองเนี่ยอันนี้คือดูกลายอันนี้สิ่งที่มองเห็นตัวเองอยู่นี่คืออะไรครับก็คือจิตของเราคือจิตใช่ไหมคกับ <c oughs> แล้วแต่<ร>ถ้า <c oughs> เราถ้าเราโกรธ มองเห็นมาเหมือนกันอันนี้อตัวที่มองเห็นคืออะไรครับตัวที่มองเห็นก็คือจิตตัวอีกดวงหนึ่งตัวที่โกรธเกิดขึ้นก่อนตัวที่มองเห็นว่าโกรธเกิดทีหลังอืก็คือจิตก็ตคือจิตอีกดวงหนึ่งแล้วจิตเนี้ยเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็ ว, รวที่คุณทําอยู่ดีแล้วละ่ะ ร, รู้สึกไหมสบายขึ้นแต่ต้องระวังนิดนึงอย่าไปตั้งตัวนี้แรงเกินไปตั้งแรงไปถ้าตั้งแรงไปนั่นจะแข็งแข็งขึ้นมาอ แล้วตอนที่ฟังหลวงพ่อสอนนะฮะอันนี้คือกําลังงงอยู่นิดหน่อยว่าเพราะเราไม่ได้ระลึกส่วนอื่นเ ร, เราฟังแล้วก็มาพิจารณาอ่าเราฟังนนแล้วเราก็คิดอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ก็คือการฟังเลคเชอร์ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดเรารู้ได้ด้วยการฟังด้วยการคิดมไม่ใช่วิปัสสนาละตรง น, นั้นถ้าจะฟังให้รู้เรื่องก็ฟังไปคิดไปไม่ใช่วิปัสสนา ถ้าจะทำพิปัธศนาก็ฟังไปเรื่อยๆธรรมดานี่แหละฟังไปคิดไปอ่ะแต่พอฟังไปคิดไปพะงงรู้ว่างงนพอขำรู้ว่าขำจิตใจเบาๆรู้ว่าเบาๆฟังไปฟังมาบังคับตัวเองรู้ว่าบังคับตัวเองดูอย่างนี้กับถามสั้นๆนะคะคือ จิตหนูจะรู้สึกหนักๆแล้วก็รู้สึกไปเพ่งมันมแล้วแกอยังไงก็ไม่หายค่ะเผยเผไปเผ อ, ออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่มามองนคนนี้มาคุยกับเรายั่วโมโหโมโหขึ้นมานี่ลืมเพ่งเลยแล้วถ้านั่งภาวนาแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าให้กำหนดดูกายดูรูปดูนามนะคะแล้วทีนี้ก็ดูรูปแล้วก็เห็น พองยุบบ้างหรือบางทีก็ไม่เห็นกลับไปเห็นลมหายใจบ้างเราก็ภาวนาไม่ถูกก็เลยพุโทโธไปอย่างนี้ใช้ได้ไหมก็ถูกแล้วนี่<ฆ>จิตไปรู้พองยุบก็รู้วนะ่า<ฆ>เห็นร่างกายมันพองยุบมันไม่ใช่ตัวเรานะจิตมันพลิกไปรู้ลมหายใจเห็นไหมมันแสดงไตรลักษณ์แล้วเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันจะไปหาลมหายใจมันก็ไปของมันเอง ล้วก็รู้ว่ามันวิ่งไปดูลมหายใจเห็นเลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเนี่ยแต่มันสับสนแล้วมันปวดหัวสับสนรู้ว่าสับสนปวดหัวรู้ว่าปวดหัวที่ปวดหัวเพราะว่าตั้งใจมากไปแต่ไม่ผิดใช่ไหมคะผิดสิผิด <c oughs> ตั้งใจมากไปผิดสิต้องต้อ ง, ต, องต้องผ่อนพยายามบอกตัวเองว่าให้ผ่อนค่นะให้ผ่อนคลายนะรู้อย่างผ่อนคลายรู้ไปเรื่อยๆกราบขอบพระคุณค่ะน่นข้างหลังนะั ไม่ชีจิตไหลไปแล้วจะเรียนถามท่านว่าท่านสับสนกับคําว่าคิดกับอารมณ์นะคะรู้สึกตัวเองว่ามันต้องคิดก่อนถึงจะเกิดอารมณ์ใช่แตไม่สับสนล้ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือเราเราอาจจะรู้ตัวช่วงแรกคือคิดหรือเราจะมารู้ตัวจอนจนกระทั่งเราเกิดอารมณ์แล้วถ้าถ้ามันคิดอยู่นะแล้วเกิดสติรู้ว่าคิดนะความคิดจะดับไปเลยอารมณ์ก็มีคืออารมณ์เฉยๆแต่ถ้าคิดไปคิดไปแล้วคิดเรื่องไม่ดี คิดถึงความไม่ดีของคนอื่นเรียกว่ามีพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดตรงที่คิดใช่มคิดคิดไปตรงนั้นมันคิดไปตามเรื่องของมันอะ่ะแต่ตอนโทสะเกิดนี่นมีกิเลสล้ให้มีสติรู้ว่าโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเลยโทสะมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันจะมามันก็มามันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปคือเราไม่ได้ไปคิดต่อนะโทสะก็หายไปไปคิดใหม่ก็โกรธใหม่ แสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยไม่มีลอยๆไม่มีข่ะพระคุณค่ ะ, ะกับนมัสการท่านค่ะก็เทายกหม่สูงๆูงเจ้าค่ะแบบนักร้องอะไอย่างเงี้ย <c oughs> กับนมัสการท่านเจ้าค่ะตะกี้ น, นะนั่งอยู่ก็เห็น <c oughs> เห็นว่าเกิดขึ้นมาตลอดเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกดีมาก ในวันนี้เจ้าค่ะเข้าใจว่าคงจะต้องดูต่อไปเรื่อยๆคือการปฏิบัตินะ น, นะเราทํากันทั้งชีวิตเลยเจ้าค่ะนะเราก็รู้กายรู้ใจไปทั้งชีวิตนั่นแหละแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้ผลเมื่อไรเพราะในขณะที่เรารู้กายรู้ใจจิตใจก็มีความสุขอยู่แล้วค่ะไม่เห็นต้องรีบร้อนอะไรเลยแค่รู้ก็มีความสุขอยู่แล้วได้รางวัล น, น ะ, นะะรับรางวัลของชีวิตอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติ การที่เรามีสติมีสัมผัสัญญะคือความรู้เนื้อรู้ตัวอยูนะ่มันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันการที่เรามีสตินะมีความรู้สึกตัวใจสงบใจตั้งมั่นตามรู้ตามดูอยู่นี่นกเราได้เครื่องอยู่ที่เป็นสุขในปัจจุบันแลเมื่อเราฝึกมากเข้ามากเข้าเราก็จะเริ่มได้รางวัลพิเศษนะเช่นได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาดังนั้นการภาวนาไม่มีขัดตูลหรอกนะถ้าภาวนาถูกนะ ถ้าภาวนาผิดก็ได้แต่ความเครียดได้แต่ความทุกข์ถ้าภาวนาถูกจิตใจเป็นกุศลจิตใจมีความสุขทันทีเลยเมืจิตใ จ, ใจที่เป็นกุศลนั้มีความสุขจิตที่มีความทุกข์จิตที่เครียดเนี่ยเป็นอกุศลและจิตชนิดโทสามู ล, ลจิตเท่านั้นไม่มีทางเลือกตัวอื่นเลยงั้นถ้าภาวนาแล้วเครียดนะหยุดสัก่อนดีกว่าแล้วมีอะไรจะต้องปรับปรุงไหมเจ้าคะ่ะแถวดีและแถวแต่ว่าตอนนี้บังคับตัวเองเกินไปนิดนึง เกินจริงนิดหนึ่งอ้าวเป็ดเป็นไงมีโมหะมัวมัวไปนิดหนึ่งไม่ได้นอนค่ะไม่นอนทำไมล่ะไมไม่นอนนอนบ้างนะนอนก็เป็นกรรมฐานนะเห็นไหมเขาต้องยืนเดินนั่งนอนเห็นไหมไม่ใช่บอกห้ามนอนเว้นแต่บางช่วงบางช่วงบางท่านท่านไม่นอนนั่นเป็นครั้งเป็นคราว แต่มีองค์หนึ่งนะไม่นอนอยู่54ปีปีไม่เคยหลับเลย54ปีคือพระอนุรุษท่านใช้เวลาที่ว่างไม่ยุ่งกับคนอื่นเนี่ยเที่ยวใช้ที่พระจักรสุดูโลกธาตุดูสัตว์มันตายมันเกิดสัตว์มันเยอะนะท่านเลยดูไปเรื่อยเรืยุค ข, ของเรานี่หลวงพ่อรู้จักองค์หนึ่งท่านไม่นอนอยู่10กว่านปะีคือหลวงปูปเ่เปลืองอยู่ที่พัทลุงไม่อยู่แล้วนะตอนนี้ บอกปูเปื้งถามท่านทําไมไม่นอนท่านบอกท่านไม่นอนแล้วท่านสบายแล้วท่านนอนแล้วท่านไม่ค่อยสบายท่านเลยไม่นอนตอนท่านอายุมากๆอันนี้หลานท่านเล่าให้ฟังบอกว่าไปถามท่านมาตอนนี้นอนบ้างอย่างแก่มากแล้วท่านบอกว่าก็มีบ้างนะเดี๋ยวนี้ร่างกายมันไม่ไหวถ้าหน้าหนาวเนี่ยนอนเยอะนะนอน4นาที5นาทีน่งคืนนึงอ่ะ <laughs> ถ้าหน้าร้อนก็นาทีสองนาทนะีอย่างพวกเราทําอย่างนั้นไม่ไหวนะเราก็พักแต่ไม่นอนเกินนะถ้านอนเกินแล้วพอมันฝันเลอะเทอะเนี่ยเป็นสื่อสัญญาณตัวหนึ่งนะเครื่องบ่งชี้ตัวหนึ่งว่านอนเกินนะยกเว้นแต่ร่างกายไม่สบายแล้วฝันนะนั้นไม่เกี่ยวแต่ถ้าร่างกายสบายดีนอนไปแล้วฝันเลอะเทอะ น, นี่ยสแสดงว่านอนมากไปแล้วนะให้ลุกขึ้นมาภาวนา แม่ชีหนีไปแล้วแม่ชีดูออกไหมใจใจเป็นเคลื่อนอเดี๋ยวเดี๋ยคนนี้กัดก็ไม่ไม่มีอะไรจะถามนะครับจิตเป็นไงขณะนี้มันก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งไงฮะ น, นิดหน่อยมันไม่ตั้งมั่นดูออกไหมออมันอยู่นอกๆมันไม่ถึงฐานของมันอ๋อครับ ช่วยส่ง a i l ให้แม่ชีหนยแม่ชีไม่สบายให้เวลาแม่ชีนิดนึงแล้วอย่างผมควรปรับปรุงยังไงครับถ้ายังนั้นรู้ลูกเดียวแล้วก็ทำสมาธิได้ั้มทำอยู่ทุกวันครับเออดีแล้วทำไปไม่ทิ้งหรอกนะสมาธิก็ไม่ทิ้งหรอกทำได้ก็ทำทำไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้ทำหาอย่างอื่นมาทำแทนกราบขอพระคุณเจ้าค่ะแม่ชีจะถามว่าการที่เราแบบกาหนด อันนี้คือบัญญัตินะนะใช้คําว่ากําหนดแต่ไม่ได้กําหนดคือตามรู้และมีสติอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี้จะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วพระอรหันเนี่ยมีสติรู้ตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือเปล่ายกเว้นเวลานอนเจ้าค่ะเวลานอนไม่รู้หรอกนะเวลานอนคืจิตลงผวังเลยนะแล้วอย่างหนึ่งคนชอบถามว่าพระอรหันเนี่ยมีสติรักษาจิตตลอดเวลาไหมคนชอบวาดภาพตรงนี้พระอรหันไม่ยึดถือจิตนะเพราะงั้นพระอรหันไม่ได้รักษาจิตถ้าถามพระอรหันขาดสติไหม พระอรหันต์ไม่ขาดสติเพระภาวะแห่งความขาดสติเนี่ยเป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดขึ้นของพระอรหันต์จะมีสองชนิดอัน น, นึงเป็นวิบากจิตวิบากจิตอย่างตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนจิตของคนทั่วๆไปอันที่สองตัวชวนาจิตของพระอรหันต์เนี่ยมันจะเป็นกิริยาเป็นกิริยาหมายถึงว่ามันทำงานของมันนะโดยที่จิตนี้ไม่เข้าไปควบคุมมันเลย สติสเตเตไม่ไปคุมมันนะแต่มีสตินะรู้ตลอดเลยมันจะรู้มันจะเห็นเหมือนเห็ น, ห น, หนสิ่งอื่นเหมือนเห็นสภาวะธรรมที่เกิดดับไปเห็นคนอื่นตลอดเลยไม่มีเราปนอยู่ในนั้นเลยและไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาจะเป็นโรบอทหรืรเอเปล่าคะฮ ะ, ะไม่เป็นไม่เป็นโรบอทไม่มีความสุขพระอรหันต์มีความสุขมากนะเพราะจิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นตัวมหากริยาจิตเนี่ยมีเวทนาสองชนิดคือสมน า, นานะัตเวทนาเนี่ยมีความสุขมากเลย กอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาไม่ใช่แปลว่าเฉยๆไม่มีความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกที่นุ่มนวลเป็นกลางอย่างนุ่มนวลนะกับอีกอันนึงเกิดสมนัตขึ้นมาสมนัตอย่างเวลาจิตมันกระทบกระทำอะไรเงี้ยจิตเกิดสมนัตมีความสุขนะงั้นพระอระหันต์ไม่ใช่ไร้ความรู้สึกนะแต่พระอระหันต์ไม่ได้ยึดถืออะไรต่างหากถึงได้มีความสุขขนาดนั้นไม่มีภาระ งั้นสังเกตนะพระอรหันต์ไม่ใช่นั่งตัวแข็งทั้งวันนะถ้าหันถ้าเราว่าดภาพว่าเอาสติบังคับไว้ตลอดเวลาพระอรหันต์ทุกองค์จะมีกิริยาการอย่างเดียวกันหมดเลยคือนั่งนิ่งๆคือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติเราก็จะไม่เหนื่อยใช่แล้วก็24ี่ชั่วโมงยกเว้นเวลานอนนะยกเว้นเวลานอนเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะมันเป็นธรรมชาติที่สุดเลยเพราะธรรมะน่ะก็คือธรรมดานั่นเองนะ เราเรียนจกนกระทั่งเราเข้าใจในความเป็นธรรมดาของกายความเป็นธรรมดาของใจว่าเขาเป็นไตรลักษณ์แล้วไม่ยึดถือความพ้นทุ่งอยู่ตรงที่มันไม่ไปหยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมาถือไว้ถ้าแม่ชีทําอย่างที่หลวงพ่อสอนไปสักช่วงแม่ชีจะเห็นเลยทันทีที่เราตื่นตอนเช้าแล้วเราคิดถึงการภาวนาเนี่ยนะงานแรกที่นักภาวนาธรรมคือการหยิบฉวยจิตขึ้นมาเราจะหยิบฉวยจิตขึ้นมาแล้วก็ามาดูทั้งวันเลยมาค้นคว้าพิจารณา คล้ายๆไปหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยหยิบอย่างรวดเร็วเลยนะทันทีที่ตื่นเนี่ยไปคว้ามาแล้วมาดูพยายามหาทางพ้นทุกข์ทำไงมันจะพ้นทุกข์หน้าตัวนี้อย่าให้มันพ้นทุกข์นะไม่พ้นหรอจกจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญาแจ้งเลยเนี่ยตัวมันอนะตัวทุกข์เราะจะปัญญาแจ้งมาตัวมันตัวทุกข์แล้วมันทิ้งของมันเองนะมันทิ้งแล้วไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาอีกในพระสูตรท่านถึงบอกว่าขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักคนที่ต้องแบกภาระแบกของหนักเนี่ยไม่พ้นจากความทุกข์ ภาระของเราก็คือการหยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมานี่เองพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันเนี่ยวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยภาระขึ้นมาอีกถึงได้พ้นทุกข์แม่ชีใจลอยไปแล้วแม่ชีกลับนมัส ก, การหลวงพ่อจะขาดไม่บัง <จะ S 1> คับนะแม่ชีเห็นไม้มใจจะไปมันไปนแม่ชีรู้สึกไหมตรงที่รู้ว่ามันใจลอยเนี่ยตรงนี้แหละคือภาวะแห่งความตื่นละ นั่นแหละคือภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกไหมเบิกบานรู้สึกไหมจิตเบารู้สึกไหมจิตอ่อนโยนรู้สึกไหมจิตคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนั่นแหละคือองค์ประกอบของมหากริยาจิตอไม่ใช่องค์ประกอบของมหากรุสุรจิตของเรายังไม่เห็นมหากริยาแต่มหากริยาก็เป็นอย่างนั้นได้ได้คือแล้วแต่สติจ ะ, ะระลึกอะไรก็ได้ เราเลือกไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตานะตรงมหากุศลจิตกับมหากริยาจิตในองค์ประกอบอย่างเดียวกันคือจิตที่เป็นกุศลแท้ๆนะกับจิตของพระอรหันต์เนี่ยมีลักษณะอย่างเดียวกันแต่มีความต่างก็ตรงที่เราหยิบฉวยเอาไว้แต่พระอรหันต์นั้นไม่ได้หยิบฉวยเอาไว้เพราะงั้นของเรายัางต้องคอยประคองต้องคอยรักษาในหนังสือของเซนนี่ย จะพูดถึงพระเซนสององค์นะ อ, องค์หนึ่งคือท่านชินเชาท่านชินเชาเขียนสโลกธรรมะบอกว่าจิตเหมือนกระจกเงาใสใช่หไหมกิเลสเหมือนขีฝุ่นต้องทุกวันทุกวันต้องคอยปัดฝุ่นเนี่ยเพราะอะไรท่านยังหยิบกระจกไว้ก็ต้องคอยปัดฝุ่นพวกเราที่ยังปฏิบัติอยู่นี่ก็คือพวกที่หยิบเอาจิตใจขึ้นมาปัดฝุ่นนี่เองเดี๋ยวท่านเว้ยหล่างเขียนสโลกธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะเขียนว่าอะไรลืมไปแล้ว ใครจําได้ฮะเออไม่มีกระจกแล้วฝุ่นมันจะไปเกาะ อ, อะไรใช่ไหมจำลองนั้นอะจําไม่ได้ลอนะอืจิตของพระลนะหันน่ะมันเหมือนระวังลงไปแล้วไม่มีกระจกนะเพราะงั้นมันไม่มีอะไรมาเกาะมันเข้าถึงภาวะที่ไม่มีอะไรย้อมได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นะมัเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นธรรมชาติจริงๆนะเป็นธรรมดาที่สุดเลยธรรมดายิ่งกว่าธรรมดาทั้งหลาย เขาจิตใจของเรานี่แหละไม่ธรรมดานะจิตใจพระอรหันต์ธรรมดานะจิตใจของเรานะผิดธรรมดาเพราะกิเลสแทรกแซงอ่าว่าไปรับนำ้ำมาสการหลวงพ่อจ้ะค่ะไตรามาสนี้กับไตรามาสที่แล้วแตกต่างกันชัดเจนมากเลยค่ะมีความตั้งมั่นมากขึ้นอ<ม>เห็นกายเห็นใจชัดเจนมากขึ้น<ม>เห็นอารมณ์ตัวเองมากขึ้น<ม>แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะรู้จักคําว่าอ น, นิจจังด้วยตัวอักษรอื แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเห็นอั น, นิจังแบบชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าจิตตื่นแล้วก็เบิกบานแล้วก็ประคองรักษาวไว้อยู่หนึ่งวันเต็มๆจนพอถึงตกเย็นก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติชั่ววินาทีนั้นนะคะอ๋อขึ้นมาว่าอั น, นิจังที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากวันนั้นก็จิตตื่นตลอดเวลามีความสุข ยิม้มนั่งยิม้มคือเวลาที่สัมผัสถึงความรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยจะนั่งยิ้มอยู่ทั้งวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าตรมาเนี้ยค่ะเห็นเห็นอาการ <c oughs> ากิริยาต่างๆสภาวะธรรมต่างๆชัดเจนมากขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะก็ดีละทำไปจนหมดกิเลสยังมีกิเลสนะดูไปทำไปเรื่อยๆตนวนอนนข้างหลัง หลวงพ่อคะเพ่งเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกหนูนั่นคือมิจฉาสมาธิใช่ไหมใช่งั้นถ้าเกิดเราเห็นว่ามันมีโมหะครอบตัวเพง่งถ้าเห็นโมหะมันก็หลุดออกมาได้ใช่จากเพง่งใช่ทีตั้งมั่นขึ้นทีละขณะคณิกะสมาธิตั้งมั่นด้วยคณิกาสมาธิตีละขณะทีละขณะดีดีกว่าเมื่อวานพอดีเมื่อวานไปเห็นโมหคะค่ะ ดีแล้ ว, ลวลลจิต ม, มันมัวว่านนะวันนี้ก็ยังมัวอยู่นี่มัวนิดนึงติดเดียวบางบางเหมือนเรามีแก้วนะใส่น้ําไว้แล้วเราเทน้ําไปแล้วมันก็ยังมีคราบของน้ําเกาะที่แก้วอยู่มัวนิดหน่อยอ้าอาจารย์ตูช่วงนี้จะโมหะเยอะค่ะหลวงพ่อคือสังเกตว่าก่อนที่มันจะหลงไปดัง ตาหรือทางออกไปข้างนอกอะค่ะมันจะมีโมหะนํามาก่อนใช่โมหะมันเป็นกิเลสยืนพื้นนะเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวอื่นพอมีโมหะขึ้นมาหลงก่อนตันหาก็เกิดตันหามี6ตัวรูปตันหาอยากดูสัธตันหาอยากฟังคันธตันหาอยากได้กลิ่นลัสตันหาอยากได้รสโถถภาตันหาอยากรู้สัมผัสทางกาย ธรรมะตันหาอยากได้อารมณ์ทางใจตัวตันหานี่เป็นตัวราคาแม้มีพ่อมีแม่คือความหลงก็เกิดราคะพอมีราคะขึ้นมาจิตก็เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นทางใจคือไปคิดนะก็ถูกต้องแล้วแล้วตู่ควรจะดูยังไงต่อครับหลวงพ่อก็คืออย่าประคองไว้ประคองไว้เยอะไปดูให้เป็นธรรมดานะอา้าวจูน ดีนะทำงานแบบไม่ต้องกําหนดเวลาวันนี้วันหยุดชดเชยค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าปกติจึงก็มาได้อยู่ดีค่ะเพราะจุนเข้างานสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นเหรอเริ่มงาน6กโมงครึ่งโอ้งานอะไรน่าทํางานนักแต่งเพลงค่ะหลวงพ่อแต่งเพลงสองชั่วโมงเลยก็จนช่วงก่อนหน้านี้ภาวนาดีค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าจิตไม่ตั้งมั่น แล้วพอภาวนาดีแล้วเลยไม่ค่อยอยากทํางานแต่ว่าจริงๆแล้วก็ฟุ้งซ่านเรื่องอื่นอยู่ดีแต่ไม่อยากไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องงานไม่อยากทางานมันขี้เกียจนะใช่ค่ะขี้เกียจมันเป็นกิเลสนะค่ะมีหน้าที่ทําก็ทําไปช่วงนี้จิตมันไม่เอ่อมันขี้เกียจอะค่ะก็เลยหาอุบายพุทโธถี่ีให้ให้เขามีงานทําไม่งั้นแล้วเขาจะแบบคิดฟุ้งซ่านตอนนี้ไม่เป็นธรรมดาดูออกไหมเกินธรรมดาเกินธรรมดานี่คือสบายเกินธรรมดาหรือว่าเพ่งเกินธรรมดมองไม่เห็นเรืสร้างอะไรอยู่ ใจไม่โปร่งเต็มที่ดวออกไหมใช่ค่ะมันเหมือนมีอะไรนั่นแหละมันครอบอยู่มันถูกมันครอบถูกมันบังไหมหลวงพ่อไม่เฉลยใช่ไหมคะไปดูเองต้องไปดูเอาเองค่ะขอบคุณเฉลยให้แล้วนะแต่ไม่เห็นไงถ้าเห็นก็หลุดเลยมันมันมีมันมีการกระทําอะไรบางอย่างใช่แล้วไม่เห่าตอนนี้มันยังไม่ดีพอมันมันรู้สึกมันยังไม่ดีพอแล้วมันยังอยากจะทําอะไรไงวิเคราะห์ตัวเองออกมาได้แล้วมันอยากจะทําแหละ มันรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่ดีมันก็เลยอยากทำมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งชื่อว่ากูกุจจะกูกุจจะกูกุจจะมันเป็นความร้อนใจที่ว่าอกูศลยังไม่ได้ละอกูศลยังไม่ได้เจริญแต่มันเหมือนมันให้ค่าเองทั้งๆที่มันไม่มีมันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีอะไรอยู่ดีๆมันก็ให้ค่าเองว่าตอนนี้ยังไม่พอนั่นแหละมันสอนธรรมะเราว่ามันไม่ใช่เราหรอกแต่เรายังไม่รับมายังไม่ยอมรับไง จริงๆธรรมะนี่นะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเราเองต่างหากปฏิเสธธรรมะแล้วก็ยังมีหน้ามาบอกนะว่าอยากได้ธรรมะนะอยากได้ดวงตาเห็นธรรมพอเริ่มเห็นแล้วกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราตกใจสิอีกไม่เอาแล้วตัวเราหายก็ยังอยากก็ยังไม่ได้แล้วจนสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ย ก็ยังรู้สึกว่ารักกายแล้วก็หวงอยากให้มันได้ดีอยู่ค่ะทั้งๆที่เห็นว่ามันไม่ใช่ก็ยังสกิทาคาพระโสดาอะไรก็ยังรักกายหวงกายอยู่ค่ะทั้งๆที่รู้ว่าไม่ใช่ของเราละแต่เมื่อก่อนจะไม่เคยเห็นว่ามันรักแต่ตอนนี้เริ่มเห็นชัดว่านี่ไงเป็นสองงานมันไม่เหมือนกันอันนึงเป็นความเห็นค่ะความเห็นว่าเป็นเราอันนึงความยึดว่าเป็นเราคพระโสดาเนี่ยรู้แล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแต่งกนะยังรักอยู่หวง น่นกว่าจะหมดความรักกายจริงๆต้องผ้าหนาขาค่ะแล้วจุนดูยังไงต่อคะหลวงพอ่อดูไปไงั้แหละแล้วอยากขี้โมโหนักคะอยากขี้โมโหนักอยากขี้โมโหเออใครดูของเราไปเรื่อยๆค่ะค่ะขอกราบมนมัสการถามนะครับเมื่อมาครั้งก่อนๆ น, นั้นหลวงพ่อเคยทักว่าเพ่งมากเกินไปแล้วก็จิตมันเข้าไปอยู่แต่ข้างในปัจจุบันนี้ก็เลยพยายามพยายามจะแบบ ไม่ตั้งจิตเอาไว้ที่ตรงกลางแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ทั่วๆไปแต่ว่าพอไปมากๆเข้ามันก็เหมือนกับมันจิตไม่มีอะไรทามันลอยมันเคลึงคว้างแล้วก็แต่พอพยายามจะรวมมาใหม่ปุ๊บมันก็เกิดความแน่นใหม่ตอนนี้ปัจจุบันก็เกิดมันเลยเกิดความเครียดขึ้นมาว่าเนี่มันมันพอรู้สึกทีไรมันก็แน่นลุกทีรู้สึกที่ไรก็แน่นลุกทีอย่างเงี้ยฮะมันยังไม่เลิกบังคับ ยังบังคับอยู่นะคุณลองดูความแน่นก็ได้เดี๋ยวก็แน่นมากเดี๋ยวก็แน่นน้อยนะดูไปจิตใจมันพอจงใจขึ้นมามันก็แน่นมากใช่ไหมพอคลายความจงใจออกไปก็ลดลงไม่ตามดูไปอย่างเนี้ยไม่ต้องอยากให้หายนะไม่ต้องอยากให้หายแต่รู้สึกว่ามันมันมันอยู่นานมากเป็นวันวันก็ก็ อ, อยู่นี่แหละจิตที่ไปเพ่งไว้นะอยู่ยาว่าแต่เป็นวันวันมันอยู่ได้เป็นกับกับอะ่นะมันเพ่งไวอ้อ่ะ แต่ถ้าจิตที่ไม่ได้เพ่งไว้มันจะเกิดดับอย่างที่แม่ชีว่าเงี้ยั บ, บ, บ, บ, บ, บนะเร็วมากเลยเแล้วจะเห็นแต่เกิดดับเกิดดับที่ยิบไปหมดเลยอย่างนี้เราเปลี่ยนอุบายว่าไปดูกายแทนหรือว่าหรือว่าก็ดูกอ้พัได้ น, ไดนะดูกายไปก็ได้แต่อย่าเพ่งกายนะดูกายได้แต่อย่าเพ่งกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายรู้สึกถึงความหยุดนิ่งของกายเอาแค่นี้พอละ ครนะับขอบคุณครับอาคุณนิดหลวงพ่อเจ้าคะ่ะไปเจอว่าพอมันเบื่อปุ๊บเนี่ยมันลงไปนิ่งเจ้าคะ่ะมันลงไปเลยนะมันไปนิ่งเฉยๆเจ้าคะ่ะพอมันเบื่อเจ้าคะ่ะไปนิ่งอะไรเจ้าค่ะอ๋อนึกว่าไปดิ้นคื อ, ค, อคือคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ามันไปอยู่นิ่งๆเจ้าคะ่ะทีนี้กลับไปแล้วไปเจอว่า มันมันคิดเจ้าค่ะมันคิดเยอะๆพอคิดเยอะๆเข้ามันเบื่อมันเบื่อความคิดแล้วมันก็เลยเป็นนิ่งเจ้าค่ะก็ดีแล้วค่อยรู้ทันจิตไปคิดแล้วค่อยรู้เอาจะได้ไม่ต้องเบื่อแต่อย่าไปยอมนะประเภทหนีเข้าไปนิ่งๆเพื่อหาความสุขอ่ะนักปฏิบัติเยอะเลยที่อยู่ๆก็น้อมใจเข้าหาความนิ่งความว่างความสงบเนี่ยเพราะมีความสุขไม่อยากรู้กายไม่อยากรู้ใจเพราะมันทุกทุกต้องรู้นะ ถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานเลยงั้นเราต้องอดทนนิดหนึ่ง mm hmm. การรู้กายรู้ใจเนี่ยเราจะเห็นนั้นทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยเราไม่อยากรู้ต้องฝืนใจนะทําใจให้สบายๆ ย, ยังไงก็หนีกายกับใจไม่พ้นก็าตามดูมันไปหนูเห็นมันคิดเองเจ้าค่ะโอ้มันคิดเองแต่ตอนเนี้มันหลงเองอีกแล้วรู้สึกไหมเออรู้สึกไหมใจมันกระโดดขึ้นมา มันมันตื่นเต้นเจ้า่ะหลพอมันอยู่อมันกระโดดปุ๊บขึ้นมานะให้เราก็รู้ทันมันแล้วมันพอมันตื่นเต้นมันก็จะกลัวด้วยเจ้า่ะเสร็จแล้วพอถัดจากนั้นก็ซึมรู้สึกไหมเจ้ค่ะมันเจอบางครั้งมันซึมเจ้ค่ะหลวงพ่อเวลามันพอพอกระตุ้นความรู้สึกขึ้นมานะถูกเรานะมันกระโจนครวดขึ้นมาพอกระโจนเสร็จแล้วมันก็หลดแอกลงไปซึมอย่างเก่าคือ คือจิตจิตของหนูเนี่ยมันเหวี่ยงเวียงซ้ายเหวียงขวามากเลยเจ้าคระหลวงพ่อมันมันมันแรงแรงยังไงเออมันแรงก็จิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดเหมือนกันในความเป็นตรลักษณ์นะคือไม่คงที่บังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อก็อย่าไปพยายามบังคับนะตอนนี้ยังพยายามบังคับอยู่เจ้าค่ะมันเอ่อสมัยก่อนนี่นะเจ้าค่ะหลวงพ่อเวลามันบังคับเนี่ยมันจะกดแรงมากเจ้าค่ะ แต่เดี๋ยวนี้บางคำเนี่ยมันเหมือนกดไม่เข้าเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันมันกดได้นิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชายที่ส่งกันบ้านเมื่อกี้รู้สึกเมื่อกี้ทำอะไรนึกออกไหมส่งใจไปดูนึกออกไหมเนี่ยให้เรารู้ว่าเราส่งใจไปแล้วถ้ารู้ว่าจะส่งใจไปมันส่งอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะตื่นเลยพวกเราจะพลาดตรงที่ว่าตอนที่อยากดูไม่เห็นไม่เห็นว่าอยากดูนะก็เริ่มสแกนกวนกนก่อนกวนกน พอสแกนแล้วไปเจออะไรเข้านะก็จะไปจ้องใส่มันตอนที่จ้องใส่เนี่ยจะถล่าลงไปของคุณเมื่อกี้มันถล่าลงไปนึกออกไหมให้รู้ที่มันถลําลงไปหรือถ้ารู้ได้ตั้งแต่อยากดูนะยิ่งดีใหญ่แต่รู้เท่าที่รู้ได้อา้าวคุณนิดต่อลงอเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วไม่ห้ามนะหลวงพ่อแค่พาให้ดูเดี๋ยนึกว่าห้ามเลยไปเพ่งเอาไว้ใหม่ไม่เพ่งอ ย, อย่างที่ทําอยู่ใช้ได้ละ หลวงพ่อเจ้าคะ่ะคือเหตุมันเกิดนานแล้วเหมือนกันเจ้าคะ่ะอยู่เฉยๆเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวนี้อ่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเจ้าค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่หนูมาอยู่ที่นี่เออแล้วจากนั้นความรู้สึกอันนั้นก็หายไปเจ้าค่ะหลวงพ่อเดินๆอยู่มันก็ฟืบขึ้นมาเฉยๆเจ้าค่ะก็ไม่แปลกอะไรนะ คนรู้สึกงี้ก็เยอะเหมือนกันบางทีก็มองกระจกนะไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรก็ไม่รู้นะทําไมหน้าตามันตลกใครเคยเป็นไหย <c oughs> ดูกระจกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะแต่ขณะทีม่มันมีความรู้สึกหลายๆอย่างเกิดขึ้นข้างในเนี่ยภาพที่มองหลวงพ่อก็ไม่เคยชัดเลยจ้ะเอ้ยหลว ง, <c oughs> งพ่อมีปาฏิหารไม่มีใครเห็นหลวงพ่อชัด <c oughs> <c oughs> เห็นได้ครั้งละขณะจิตเดียว <c oughs> แต่ที่เห็นแล้วไปดูหมานะก็เหมือนกันนะ <laughs> ไม่เฉพาหลวงพ่อหรอกเพราะจักขูวิญญาณจิตเกิดทีละขณะเกิดระดับเมื่อเรามองหน้าเราลองมองคนข้างๆเราดิมองได้แว บ, บเดียวมองได้ไม่เต็มหน้ารู้สึกไหมเหมือนต่อจิกซอนะมองตรงนี้มองตรงนี้ตาซ้ายตาขวาจริงๆแล้วมันสภาวะธรรมทั้งหลายนะทั้งรูปทั้งนามนี่เกิดดับรวดเร็วมากเลยเนี่จิตแอบไปคิดอีกละใค่ะหลวงพ่อเท่าไหรที่ปฏิบัติมาถูกต้องแล้วใช่ไหมเ้าค่ะดีขึ้นละใครดูไปเลยดีขึ้นแล้ว ขอบคุณเจ้าค่ะได้อีกส3ท่านครับมาส ก, การหลวงพ่อครับคือเริ่มฝึกแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจิตคิดถึงแบบไม่คิดปับ๊บมันก็จะหายไปแต่ถ้ามันเจอกระทบกับเหตุการณ์เดิมอีกก็จะคิดอีกอยากถามว่าถ้าเราไม่คิดแล้วเนี่ยแล้วมันถูกหรือว่าเราเราเร า, เราหนีความจริงคืออย่าไปห้ามความคิดนะเราไม่เรียนเพื่อแทรกแสงขันห้า เราเรียนเพื่จะเรียนรู้ว่าขันห้าจริงๆเขาเป็นยังไงอย่างจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดมีหน้าที่รู้สึกนะไม่ห้ามความรู้สึกมีหน้าที่จะจําได้มีหน้าที่จะคิดได้เราไม่ห้ามแต่เราคอยดูไปเรื่อยเพื่อให้เห็นว่ามันทํางานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกองี้อย่างเวลาใจเราคิดพอเรามีสติระลึกขึ้นมาในขณะที่รู้สึกตัวนี่จิตไม่หลงไปในโลกของความคิดและความคิดดับลงไปแต่เสร็จแล้วความรู้สึกตัวก็ดับเหมือนกัน พอความรู้สึกตัวดับจิตก็กลับไปคิดอีกถ้าเรื่องเดิมยังไม่เสร็จก็ไปคิดต่อเป็นธรรมดานะเสร็จแล้วเราจะเห็นเลยจิตจะหลงไปคิดหรือจิตจะรู้สึกตัวเราเลือกไม่ได้จิตไปคิดใช่หไหมคิดแล้วจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศ ล, รลเราก็เลือกไม่ได้คอยรู้ไปได้อยอย่างนี้ก็ถ้าก็ไม่ต้องหนีก็สู้ต่อไปอะไรนะก็ไม่ต้องหนีเหตุการณ์ก็เ ข, ข้าไปเข้าไปเจอเหตุการณ์ก็ ถ้าถ้าเราอยู่กับโลกเนี้ยเรามีหน้าที่ต้องคิดเลาจะทามาหากินทํางานต้องคิดให้รู้เรื่องนะไม่ใช่เวลาภาวนาเป็นเวลาที่ต้องไปคิดต้องไปทํางานแต่พอเราคิดไปทํางานไปแล้วเราเกิดเครียดขึ้นมาเครียดไม่ใช่งานละหรือโมโหขึ้นมาไม่ใช่งานละให้เรารู้ทันจิตความเครียดความโมโหดับไปแล้วก็ไปคิดเรื่องงานต่อนี้ทั้งหมดเวลาคิดเรื่องงานล้อยู่ธรรมดาอย่างเนี้ยใจแอบไปคิดเราคอยรู้เอาเป็นเวลาปฏิบัติแล้ว งั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยมีข้อยกเว้นสองอย่างสําหรับคารวาะตอนหลับทําไม่ได้แต่ตอนที่ไปคิดเรื่องงานเนี่ยทำไม่ได้ไม่เหมือนนักบวชนะนักบวชไม่ค่อยมีงานนะเว้นแต่หลับแล้วอย่างที่แม่ชีว่าเว้นแต่หลับแล้วดูได้ทั้งวนันในว่างนะต้องต้องแยกกันนะเวลาทํางานอย่าไปพิจารณาอะไรนะเดี๋ยวทํางานไม่ได้คิดไม่ได้นะทําธุรกิจแพ้เขานะต้องตั้งใจคิด อ่ะเบอร์สี่สิบเนกะ้าการนันสการหลวงพ่อครับคือทุกวันนี้เนี่ยผมจะนั่งวิปัสนาช่วงกลางคืนประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคําแนะนํานะก็คือเราก็ตามลมหายใจเข้าออกปวดเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยคิดก็รู้ว่าคิดณนะปัจจุบันคือค่อนข้างที่จะเร็วในจิตที่คิดไปหลังจากนั้นเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยพยายามจะตามลมหายใจตลอดเวลาที่ไม่ได้ทํางานอื แต่ก็อยู่บ่อยๆที่จะต้องเรียกตัวเองเพราะว่าเผลอลืมที่จะไม่ได้ตามดีแล้วที่เผลอครเราจะได้เห็นความจริงเลยจิตเป็นของบังคับไม่ได้จริงถ้าเราฝึกชํานาญสมถะเราชํานาญนะเหมือนบังคับได้เราจะรู้สึกว่ากูเก่งกนะูเก่งเกิดอัตตาขึ้นซะอีกนะนะเพราะงั้นที่คุณฝึกดีแล้วนะถึงเวลาเราทําในรูปแบบสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจําวัน จิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศล ก, ก็รู้มีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แต่ไม่ใช่บังคับว่าจิต ต, ต้องรู้ลมอย่างเดียวห้ามรู้อย่างอื่นนะจิตไปรู้ไม่มีอะไรจะรู้ก็กลับมารู้ลมคนไหนไม่มีอะไรจะรู้ชินกับพองยุบ ก, ก็กลับมารู้ท้องพองยุบเหมือนกันหมดอะกรรมาฐานอีกคําถามหนึ่งพอดีสืบเนื่องจากกรณีแม่ชีคือพอดีผมเนี่ยดูคนไข้ระยะสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนมากจะเป็นคนไข้มะเร็ง ซึ่งปัญหาก็คือในเรื่องของความปวด <S <S <S ทีนี้เนี่ยในเรื่องของความปวดเนี่ยก็คืออย่างหนึ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือในเรื่องของการให้ยาระงับปวดทีนี้ในเรื่องของการให้ยาระงับปวดก็จะมีคนแค่ที่ทั้งยอมรับและไม่ยอมรับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะเสนอเขาว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตายไปเร็วกว่าเวลาที่คุณควรจะเป็น <S <S <S เพียงแค่ว่าให้ใบพร้อมกับความที่ปวดน้อยลง <S <S อ, อีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมกับ เพื่อนหมออีกหลายคนก็กําลังทํากันอยู่ก็คือในเรื่องของการดึงศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นศาสนาอื่นเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาลึกลงไปแต่ในเรื่องของศาสนาพุทธของเราเองเนี่ยเราก็ถามเขาว่าคุณเคยบวชไหมถ้าไม่เคยบวชเนี่ยหรือได้ปฏิบัติธรรมมาแค่ไหนทีนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่รู้ทางออกว่าณนะอีกไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ที่เขาจะเสียไปเนี่ย ควรจะให้จิตของเขาเนี่ยยึดมั่นกับคำว่าพุโทโธเพื่อให้จิตสงบหรือให้ปล่อยวางกายคือคนที่ไม่เคยฝึกนะทำสมถะได้ก็บุญแล้วละ่ะเราต้องแยกแยะแต่ละคนไม่เท่ากันคนไหนไมีเคยฝึกมีสติมีปัญญานะให้เขารู้กายให้เขารู้ใจดูกายที่นอนเจ็บนี่เหมือนกายคนอื่นไปดูจิตใจที่ทุรนทุรายเหมือนดูคนอื่นไปให้เขาฝึกไปแต่คนไหนทาไม่ได้ก็ให้ทาความสงบไป บางคนพุทโทรก็ยังไม่ได้นะก็สร้างบรรยากาศที่ดนะีเตือนญาติพี่น้องอย่ามาร้องห่มร้องไห้นะจิตเศร้าหมองเดี๋ยวไปอาบายนะก็ดูแต่ละรายไม่เหมือนกันดีแล้วคุณหมอทำได้ดีคนสุดท้ายนะกล่าวสบการณ์หลวงพ่อครับพอจิตตั้งมั่นนะครับมันจะมีกำลังของสมถะมาหนุนหลังโดยธรรมชาติที่ฝึกมามันก็จะชัดกว่าความเป็นจริง ตรงนี้มันจะบังภาวะเยอะไหมเป็นอุปสรรคเยอะไหยอะไรนัไม่ค่อยได้ยินอพอจิตตั้งมั่นใช่ไหมครับเราฝึกสมถะมากาลังสมถะมันจะหนุนหลังเราจะเห็นชัดเห็นชัดตามธรรมชาติเหมือนกับประคองมันจะมันจะเกินจริงครหลวงพอ่อตรงนี้นี่จะเททิ้งก็ไม่มันพอพอตั้งมั่นเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติมันจะบังสภาวะและเป็นอุปสรรคมากไหมครับเรารู้สภาวะก็คือจิตมันกระโดดเข้าไปตั้งมั่นเนี่ยตรงนี้สภาวะที่ถูกถูกตรงๆเลยใช่ไหม พอมันไปตั้งแล้วมันค่อยไปเบี่ยงเบนตัวอื่นแต่ตัวมันมันไม่ได้เบี่ยงเบนตัวมันเองเห็นเห็นตรงที่กระโจนเข้าไปแล้วรู้ตัวนี้ไปเลยเพราะตรงนี้รมันจะเป็นอุปสรรคที่สุดเพราะว่าเวลาเราเห็นมันจะชัดกว่าจริงทุกทีใช่เกินจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างเวลาเรานั่งสมาธินะเราก็นั่งดูสภาวะเกิดดับภายในได้อย่างนี้ฝึกอย่างนี้ก็ได้ ค, คือฝึกดูตั้งแต่ตอนตอนจะทำสมาธิเห็นความการทำงา น, น อ, งอยู่ภายในแล้วก็ตอนออกก็เห็นห อ, อย่างเงี้ยตอนออกเนี่ยให้ดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปให้รู้ไปอย่าเจตนามอยู่ที่เจตนาจงใจดูมันก็กระโดดเข้าไปแข็งแข็งเอาวันนี้ขอแค่นี้นะเดี๋วยวหลวงต้องคุยกับพระท่านมากไกล